วันนี้ในมลหมู่พวกเพื่อนมาประชมุมตามปกติจะมีการประชุมทุกวันพระ8ค่ำส15ห้าค่ำแต่นี้ประชุมในระหว่างคือมีเรื่องที่จะหาหรือหรือประชุมกันอันนี้ก็เคยมีเป็นธรรมดาอย่างผมอยู่กับองค์หลวงตาท่านก็ไม่ได้ประชุมกันทุกวันพระ8ค่ำสิบห้าค่าไม่มีท่านประชุม เมื่อท่านสะดวกสุขภาพท่านท่านสบายดว๋ยวท่านช่วงในที่ไม่มีแขกคนมาเกี่ยวข้องท่านมากท่านก็ประชุมในเมื่อท่านสบายสป า, ายะสําหรับท่านผมเมื่อผมเข้าไมไปอยู่ใหม่ก็สามวันก็มีเจวันเป็นว่านานมากแต่วันพระ8คดคำส5ห้าคำไม่มี สิาก็คือตอนที่อุโบสถเสร็จท่านก็จะอบรมให้ธรรมะในช่วงนั้นแต่ไม่เกี่ยวกับญาติโยมญาติโยมไม่มีทำวัดเย็นไม่มีแต่ทุกองค์ต้องทำวัดพราเป็นหน้าที่จงทำคารวะทำเองได้เพียงแต่ได้รับคำแนะนำบอกกล่าวว่าทุกวันต้องทำวัดเย็นต้องทำวัด เ, เช้า ถึงจะมากหรือน้อยก็ต้องทาตามการจะไม่ทำวัดจะเลยจะไม่ทไม่สวดมนต์ไหว้พระจะเลยอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระและไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานอีกพระกรรมฐานเนี่จะให้ครูบาอาจารย์พานำทำทุกอย่างทำอย่างนั้นไม่ใช่พระกรรมฐานพระกรรมฐานเนี่เหมือนกับมหาวิทยาลัยเปิด ไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยปิดต้องเข้าโรงเรียนสอนวิ ช, ชากันทุกวันแต่มหาวิทยาลัยเปิดให้ข้อคิดให้หนังสือให้แนวทางว่าจะให้ศึกษาเรื่องอะไรกระบอกเป็นหัวข้อจากนั้นเราก็ไปค้นคว้าศึกษาเองอันนี้คือมหาวิทยาลัยเปิดกรรมาฐานของเราก็ลักษณะอย่างนั้นอะสายหลวงปู่มั่นเป็นมหาวิทยาลัยเปิด มีแต่ให้ข้อคิดไปแล้วตัวเองไปค้นคว้าศึกษาถ้าคล่องใจตรงไหนยังค่อยมาถามถ้าไม่คล่องใจก็ทําไปเรื่อยๆถ้าคล่องใจแล้วก็ถามแต่ถ้าหาว่าไม่ทําเฉยๆอันนั้นไม่ใช่นักศึกษาเอเขามาอยู่ในวัดก็หนักวัดมาอยู่วัดป่ามาอยู่วัดอย่างกรรมฐานอะไรกัเ น, นี้ยออยู่ไปอย่างนั้นเน่ะเหมือนกับเลี้ยงข้างบางชนี ไม่แพ้กันพออยู่ไม่คิดอยู่ไม่อ่านอยู่ไม่ตั้งใจภาวนาอยู่ไม่ได้สนใจข้อวัดปฏิบัติเห็นหมู่อยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นพออยู่ด้วยความสบายไม่ต้องทํำมาหาเลี่ยงชีพยอย่างอื่นเพียงแค่นั้นมันไม่พอนะขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ให้คิดนะทําวัดเยนดเ็นทำวัดเช้าต้องทําต้องคารวะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่วันพระอันนั้นเรามาทำพร้อมกันอยู่แล้วการนั่งสมาธิองเหมือนกันการที่นั่งสมาธิมาเฉพาะนั่งแต่วันพระอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเราต้องมีความสัตย์จริงกับตนเองอีกขณะที่เราอยู่ตามลำพังต้องปฏิบัติเรามาไม่ใช่เรามาอยู่เพื่อเรียนเพื่อศึกษาเรามาเพื่อภาวนา หาทางพ้นทุกตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนและกับผมเองผมก็ไม่เคยว่าขาดตกปกพ้องในการอบรมแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนเพราะผมมีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนร้อยเจที่วัดของเราอยู่แล้วตั้งแต่สองทุ่มขึ้นไปให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจฟังตั้งใจศึกษา ผมที่เข้าไปศึกษากับองค์หลวงตามหาบัวผมก็ฟังเทศเหล่านี้หละกันเหล่านี้ละที่ท่านอบรมเหล่านี้หละแต่อย่าไปฟังแบบพั่มเพื่อเรื่อรังไม่ใช่ว่านอนคุยกันแล้วก็ฟังนอนทำมือกายหน้าผากตามลําพังแล้วก็ฟังไม่ใช่เราต้องนั่งกัดสมาธิ ท, ทําท่าทํากายว า, ายใจสงบนั่งกัดสมาธิแล้วก็ฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจพอฟังแล้วก็ปิด จบกันหนึ่งแล้วก็ปิดพอปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่ออย่าไปฟังตเตือนเปิดเปิงเตรองเปิงเปิดแตด่ฟังอย่างนั้นแปลว่าฟังไปฟังมาแล้วก็เบื่อในการฟังพอฟังไปมันก็ไม่เข้าทีใจมันด้านเหมือนกับดินดานดินด้านนะฮดินด้านดินดา น, ด น, ดานพอเทน้าใส่กันมันก็ไหลออกไปข้างนอกมันไม่ซึมมันไม่ซึมซับเข้าสู่จิตใจนี่แหละ อันนี้ผมก็ไม่ได้ขัดมไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าขาดตกบกพร่องในการแนะนำเพียงแต่หมู่พวกเพื่อนทุกองค์จะพูดยังไงจะทํายังไงกับตนเองเท่านั้นล่ะวิทยุที่จะให้ฟังธรรมะก็มีแต่พวกท่านทั้งหลายอย่าใช้ผิดประเภทขอเตือนเอาไว้ถ้าผมได้ยินผมเดินผ่านไปที่ไหนโพสถ้าผมได้ยินเ่ะถ้าเปิด ร้องรำทำเพลงขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่คือเมื่อนั้นองค์นั้นเราจะต้องออกจากวัดทันทีผมไม่ได้ให้ใช้ให้หมูพวกเพื่อนฟังร้องรำทำเพลงนะมาอยู่ในป่าดวงพงภัยผมมาอยากจะให้หมูพวกเพื่อนศึกษาธรรมะเอาวิทยุให้กับเพื่อฟังเสียงลวงตาฟังเสียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังเสียงธรรมะผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นพวกท่านจะใช้ผิดประเภทนะขนาดศีลแปดเขารักษาครั้งโลกเขาก็ยังผิดศีลแปด ไม่ให้ฟังร้องรำทําเพลงเห็นไห ม, ศ, นะไหมศึกษาไหมไปฟังไหมศึกษาไหมสินล8มีอะไรบ้างแต่ขณะเรารักษาศินสอยยี่สิบเราจะไปทําอย่างนั้นมันถูกไหมเนี่ยอันนี้คือนักศึกษานักศึกษาต้องศึกษาอย่างนี้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่าไปทําในสิ่งที่ท่านห้ามแล้ว ที่พระทําคําสอนของพระพุทธเจ้าห้ามแล้วอย่าทําทําในตามแนวทํานองคลองทำใจของท่านพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขไปเรื่อยๆจิตใจของพวกท่านจะมีหลักมีฐานขึ้นเรื่อยๆจิตใจของท่านจะมั่นคงไปเรื่อยๆจิตใจของพวกท่านจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในตัวของท่านไปเรื่อยๆทางว่าทำคําสอน เราไม่ใช่เชื่อที่อื่นนะเชื่อกับตัวของเราเองผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันไม่ใช่ไปที่อื่นเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเด็กเข้ามาอยู่ในวัดของผมวันนี้ที่ผมไปชมก็คือผมจะได้ออกไปธุระไปมากอยู่ปีนข่าวนี้ไปมากกว่าทุกครั้งพระจะต้องไปทั้งสิบองค์แต่เป็นพระผู้ใหญ่ด้วยที่เป็นหัวแถวก็แบ่งอูแบ่งไป เพราะทั้นผมเป็นห่วงวัดในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าจะไปที่ไหนก็ต้องสั่งเสียอย่ามีเรื่องมีรลาวาเน้อเหมือนกับพ่อจะออกจากบ้านแม่จะออกจากบ้านอย่างนั้นต้องสั่งเสียลูกเออลูกจะไปทะเลาะกันเน้อให้รักสามัคคีกันไว้เน้อให้เคารพกันเน้อพี่หนะ้าอย่ารังแกน้องเนะ้อน้องหนะ้าอย่าหัวดื้อเนนะ้อให้ฟังกันเน้ออันนี้คือพ่อแม่ที่จะหนีออกจาก บ้านไปทํำธุระนี่ผมก็ลักษณะอย่างนั้นผมเป็นห่วงแต่ถึงยังไงผมก็คิดว่าพวกท่านทั้งหลายได้รับการศึกษามาดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุก็เป็นผู้มุ่งมั่นอยู่แล้วเป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมบวชมาเพื่ออะไรทางโลกเราก็ผ่านมาแล้วจนเบื่อแล้วมันมีอะไรแต่บัดนี้เราหันหน้าเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเข้ามาเพื่อหาทางพ้นทุก เราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดผมตัวนี้ผมก็มั่นใจในหมู่พวกเพื่อนที่ผู้สูงอายุคงจะเป็นหลักได้ส่วนหนึ่งสำหรับผู้มีอายุน้อยก็มีอายุพรรษาขึ้นมาแล้วผ่านพรรษามาแล้วก็รู้จักขนบธรรมเนียมที่จุดประสงค์ของครูบาอาจารย์อย่างผมเป็นต้นผมแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกท่านปฏิบัติอย่างไร อยู่ในกรอบหลักพระธรรมที่นายอย่างไรสิ่งเหล่านี้อย่าได้ถอนอย่าไปพูดย้ำกันย้ำแล้วย้ำอีกถ้าย้ำแล้วย้ำอีกอันนั้นเหมือนเด็กอมนิ้วปัญญาอ่อนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพูดกันรู้เรื่องยอมรับกันถ้าไม่ยอมรับในคยขับสอนคำพูดของผมอยู่ไปทำไมแมันก็ออกมาลักษณะอย่างนั้นอยู่ไปทาไมถ้าเชื่อยอมรับ แล้วก็ปฏิบัติตามนถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วค่อยอยู่เพื่อการศึกษาถ้าเราไม่อยู่เพื่อการศึกษาเราจะอยู่ทําไมนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมแนะนําสั่งสอนมามากต่อมากทั้งตอนเช้าก็พูดให้ฟังแลว้วก็วันพระทั้งเช้าทั้งเย็นในวันพระแต่วันนี้ก็มาพูดให้เพื่อนฟังอีกเพื่อการศึกษาอีกเหมือนกัน เพ้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังอีกแต่ผมก็ยังคิดอีกเหมือนกันแต่พูดตอนเช้านี่จะมีประโยชน์ไหมถ้าว่าผมไม่พูดตอนเช้าก็เจ็ดวันก็อยู่กันอีกทั้งที่มาเพื่อการศึกษาอย่างน้อยก็ได้แนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าผู้เข้ามาไฝวในการศึกษาจะต้องได้ฟังเพื่อการศึกษา เว้นเสียแต่ใจของเรามันด้านอย่างที่ว่านระดน้าแล้วมันไหลออกทั้งหมดเหมือนดินด้านหินด้านมันไม่อมน้ำอันในใจของเราท่านว่าใจอมน้ำใจไฟเพื่อการศึกษาใจไฟคุณงามความดีในเมื่อได้ยินอะไรเข้ามาเราก็ต้องฟังจะต้องศึกษาผมไม่ใช่ว่าพูดพร่าเพื่อเรื้อรังในตอนเช้าเราพูดยี่สบาสิบนาทีวันหนึ่งอันนี้เพื่อการศึกษา แล้วก็วันพระก็เออพูดซะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเฉลยพวกท่านนึกดูให้ดีก็แล้วกันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ผมว่าไม่มีทางที่ผมวันนี้เป็นตัวของตัวได้ผมก็ยังลำาลึกถึงบุญคุณของหลวงปู่ล่าแต่หลวงปู่ล่าในท่านพูดทั้งไปตอนไหนก็พูดแต่ผมไม่ถึงขนาดนะแต่หลวงตามหาบุญตอนเช้าท่านก็พูด อบรมอย่างที่พวกเราท่านหลายได้ยินเสียงวิทยุโทรทัศน์ตอนเช้านแต่บางครั้งพระก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ตอนเช้าจริงๆท่านก็พวกแต่ถ้าพูดบางครั้งก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแปลว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าสนันหวันไหวไปหมดไม่ได้เลือกใครทั้งหมดในขณะนั้นอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์สรุปแล้วก็คืออยากจะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษา มีแนวความคิดเพื่อการศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่จะจิบยกประเด็นไหนเอามาบอกมากล่าวสิทธิ์ของพวกท่านเพราะพรธศาสนาก็จะยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าเพราะได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์มั่นใจอย่างผมพูดให้แก่พวกท่านทั้งหลายผมก็มั่นใจเพราะในพบผมได้รับการศึกษามาจากครูบาอาจารย์ ผมคิดว่าเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นแนะนำสั่งสอนถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายยังสงสัยกับฟังที่ธรรมเทศนาของหลวงตาแต่ละกันแต่ละกัรเรื่องราวต่างๆที่หลวงตาพูดพวกท่านจะรู้ได้เลยว่านี่ผมยึดแนวแถวที่องค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนด้วยยึดแนวแถวหลวงปู่ล่าที่ผมได้ศึกษามาเพื่อถ่ายทอดให้แก่พวกเราแต่ว่าพวกท่านทั้งหลาย ฟังของหลวงตาก่อนในยุคนั้นสมัยนั้นการนั้นสมัยนั้นมันอาจจะไม่เหมือนการในสมัยนี้ในเมื่อการนี้สมัยนี้พวกเราอยู่ด้วยกันขณะนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่องมันเป็นมาอย่างนี้เราก็จะต้องพูดตามเหตุตามผลตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเี่จะต้องไปแก้ไขปรับปรุงเดินไปแนวแถวเดียวกันนี่แหละอันนี้ก็คือการศึกษาเพราฉะนั้น ทุกครั้งที่ผมพูดผมก็ต้องพูดวันนี้จะพูดเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรที่จะต้องนำมาพูดให้พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาเป็นแนวทางสำหรับปรปับปรุงกายใจของพวกท่าน่นหละที่ผมพูดตอนเช้าถ้าไม่พูดเลยต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่อไปก็เด่นเด่นดัน ด, น, ดนไปอีกหลาย่านนอแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดพอไม่เห็นพูดไม่แนะนำไม่บอกกล่าว พระรู้สึกว่าแข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆดูๆแล้วก็จะหาความเคารพยำเกรงกันไม่ได้อีกต่างหากเพราะเหตุอะไรเพราะมันดื้อด้านบางองค์ว่านิสัยหยาบนิสัยเป็นคราวัตมาเอานิสัยคราวัตมาใช้มันไม่ถูกนะเราเป็นนักพจนักปวดแล้วนิสัยคราวัตต้องทิ้งต้องศึกษาต้องมีความมีสัมมาค ร, ราวะรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ ถึงจะเป็นผู้ใหญ่แต่อายุพรรษาน้อยเราก็ให้ความเคารพอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ถึงกับกราบไหว้แต่เราก็ให้ความยำเกรงอันนี้ไหว ย, ยวุฒิเพราะว่าผ่านโรกมานานเราจะไปปูถูกเหมือนกับพระเล็กเนนน้อยเห็นว่าพรรษาอ่อนกว่าเรามันก็ไม่ถูกเราก็ต้องให้ความเคารพยำเกรงอีกแบบนึ่งหมู่พเพื่อนที่มีอายุพรรษาเราก็ให้เคารพอีกอย่างหนึ่งพระน้อย ยะมีอายุน้อยกว่าเราปัญชาน้อยกว่าเราเออเราก็ให้ความเคารพหรือว่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอีกแบบหนึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จักรู้จักการวางตัวถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันรู้จักการวางตัวแล้วมันพอเหมาะพอดีไปทั้งหมดแต่ถ้าไปเี่ไนขว้างเขาสืออส่อบื่อสื่อบื่อไม่แต่ใช้ความโง่ออมีแต่ใช้ความอวดดี มันจะหาความทรงอบร่มเย็นเป็นฉุกในหมู่ในคณะได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตตัวเองมองตนเองอยากจะให้หมู่พกเพื่อนมองตนเองอย่าไปมองคนอื่นเนี่ยที่ผมจะลงไปคราวนี้ก็ลงไปหลายวันมีพระไปด้วยกันทั้งสิบองค์เพราะนั้นรู้สึกว่าจะเบาแต่ึิยังไงขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองนะเรื่องการงานภายนอก ในเมื่อกูบาอาจาราย์ไม่อยู่ผมก็ไม่อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายทำหรอกเพราะเดี๋ยวพระน้อยควบคุมกันไม่อยู่เดี๋ยวก็จะเสียหายเดี๋ยวก็จะทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายขอให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ในกิจจวัตรข้อวัดแต่กิจจวัตรข้อวัดเป็นหน้าที่อยู่แล้วให้พวกท่านทั้งหลายทำอย่าไปคึกอย่าไปขอนองอย่าไปทาในสิ่งที่กูบาอาจารย์ไม่อยู่ทาอีกแบบหนึ่งกูบาอาจารย์ทาอยู่อีกแบบหนึ่ง ถ้า <inate> จงสิ่ไหนก็ตามถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่นู่นหามาอยู่หามากินสั่งมากินสั่งมาใช้ถ้าใครเป็นหัวหน้ามาอยู่ในระยะนั้น่ะเป็นอย่างนั้นะบอกผมนะผมกลับมาผมจะไล่ออกจากวัดทันทีแสดงว่าต่อหน้าอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งไม่อยู่ในหลักพระธรรมพีน่นายมันมาโบดมาเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนั้นเหรอมาเห็นแก่อยู่แก่กินอย่างนั้นเหรอ ไม่เห็นแก่หลักพระธรรมมีไหนไม่เห็นแก่ทุดรงควัดออพอสัง่งก้วยตรงก๋วยเตี๋ยวมาสดใจสดขวาอาจารย์ไม่อยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นบอกมานะบอกมาไม่บอกก็จะรู้หร อ, อ, อถ้ารู้แล้วระวังให้ดีก็แล้วกันไม่ใช่ปฏิปทาพานักขอให้หมูพกเพื่อ น, นอันนี้คือครับสั่งอย่าไปทำในสิ่งที่ผมไม่พาทาต้องอยู่ในกรอบ อยู่ในหลักทำํำวินัยอยู่ในตูรงควัดเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นัชฐานที่ใดเสมือนเกลือรักษาความเค็มอุบาจารย์อยู่ไม่อยู่ก็ต้องรักษาความเค็มของตอนเองไว้ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นหมู่หัวหน้าจากหัวหน้าหมู่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าจ่าได้ยังไงหากดหาเกจไม่ได้ละเลอะแหลกเลอะเลือนเลือนไปที่ไหนก็หลบหลบหลีก ไม่องอาจกล้าหาญไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่กล้าบอกกล่าวหมู่พวกเพื่อนเพราะตัวเองก็ย่ำแย่อยู่แล้วจะเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าเป็นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่แบบนั้น่ะใหญ่หากฎดฮัเกณฑ์ไม่ได้ผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นที่ผู้เข้ามาศึกษากับผมนะผมอยากจะให้องค์อาจกล้าหาญกล้าพูดกล้าแสดงเออกล้าทําในหลักพระธรรมวินยัยถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์เออเอาเออ อปิดปากหดเล็บไว้ก่อนพราอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ท่านแสดงให้ท่านพูดแต่เมื่อออกไปอยู่ตามลําพังนั่นละ่ะเราจะต้องออกมาพูดออกมาแสดงอย่างที่ผมเข้าไปกับพ่อแม่กุญจารย์ผมไปกลับผมไม่พูดถึงยังไงก็ตามถ้าเป็นวัดของพ่อแม่กุญจาร์สมัยก่อนผมจะไม่พูดเทนอะไรก็ไม่พูดทําอะไรก็ไม่พูดเออที่ท่านแนะนํำยังไงเอาฟังท่านมีฟังลูกเดียว แต่เมื่อออกมาอยู่วัดของเราเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องใช้มาตรการออแสดงตนให้เป็นผู้นำเป็นผู้แสดงความคิดเหตุในการบริหารจัดการจะทำยังไงวัดของเราจริงจะไปได้คนท่าไหก็มาเกี่ยวข้องควรแสดงยังไงกับคู่คนเท่าไหร่ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็วางยังไง หลักพระธรรมวินัยในวัดของเรานี่แหละในเมื่อมาอยู่ตามลําพังมาอยู่วัดของเราเราก็ต้องใช้แบบหนึ่งเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องทําตนอีกแบบหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินยัย อ, อยู่ในกรอบอยู่ในกฎ ร, ระเบียบมาทังขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ที่ผมพูดทางนี้ท้งนั้นเป็นแนวทางเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาหรือว่าการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบตามหลักพระธรรมวินยัยเรื่องการงานที่ผมไม่อยู่พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องทําให้ช่วยๆยกันเพียงแต่ทํากิจวัตรขอวัดทําก็ทําแบบที่ช่วยช่วยกันทําที่ห้องพระยังไม่เสร็จให้ช่างเข้ามาทำํำถ้ากุติผมเหมือนกันให้เขามาทําแล้วก็อํานวยความสะดวกให้เขาบ้างแต่ไม่ต้องเกณฑ์กันไปทําที่เก็บมงงเก็บไม้อะไรที่ เขาถวายไม้มานะอันนั้นกับเดี๋ยวหมู่พวกเพื่อนมายังค่อยว่ากันเว้นเสียแต่ชาวบ้านเข้ามาเออเอาพระเป็นองค์สององค์เป็นผู้ใหญ่ไปก็ไปดูดูกับเขาที่จะไปกะเกณฑ์ให้ไปทําการทางานเดี๋ยวองค์นั่นไปองค์นี้ ไ, ไปเดี๋ยวจะทะเลาะกันขึ้นมาอีกผมไม่อยู่ผมเป็นห่วงแต่ทั ง, งไีพวกท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่อยู่นั่นนะเป็นหน้าที่เราไม่ต้องพิจ ก, กังวลอะไรทั้งหมด ทำกิจวัตรข้อวัดพร้อมกันออกไปภาวนากุฏิหลังไหนอยู่ในวัดให้พวกท่านเดินไปดูชอบหลังไหนยังไม่มีใครอยู่มีกุญแจไมไปเปิดกุญแจแล้วก็ไปนั่งภาวนาไปปัดกวาดทำความสะอาดนั่งข้างในภาวนานั่งหรือเออกหลายหลชั่วโมงก็ได้ไมันต้องยุ่งกับใครวัดของเรามีที่หลบที่หลีกเยอะแยะไปทั้งหมด กลางคืนอย่างนี้ก็เหมือนกันเดินหงายเราจะไม้ขวางกั้นตรงไหนข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็จุดเทียนแล้วก็เดินจงกรมในทางปูนที่เป็นถนนทางไม่มีใครผ่านอยู่แล้วนี่แหละถ้าเรารู้จักกลบรู้จักกลิรู้จักหาความสง บ, บใส่ตนเองมีตังเยอะแยะเว้นเสียแต่หาความไม่ดีใส่ตนเองมีกนเยอะแยะอีกเหมือนกันเพราะผมก็จะเดินไปตรวจวัดหนึ่งมัน ไม่เหมือ น, ว, นวัดป่าบ้านตากัดป่าบ้านตาดร้อยหกิบไร่ตอนเย็นมาหลงตาก็เดินเ่ะไปซอยนั้นไปมุมนั้นไปมุมนี้ไปดูตรวจพระแต่นี่ผมผมนะจังพันกว่าไร่เดินไปที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมดามันต้องตั้งท่าเดินจริงจริงมันยังเดินไปได้วิ่งเสือจะมีจุดประสงค์จะไปตรวจหลังไหนเท่า น, นั้นเองไปตรงไปหลังนั้นเลยไปดูเท่านั้นแ่ะแต่ก็ระวังให้ดีก็แล้วกันนะ ไล่พราหนีออกในพรรษาก็เคยมีแล้วมันมีวีดุดงวีษุดีมอร้องมอลำขึ้นมาเราสอนอย่างนั้นเหรอเราไม่เคยสอนอย่างนั้นนะออามาใช้ทาใหม่ออามาทาใหม่มันไม่ใช่เรื่องของพระเดี๋ยวคนนั้นก็ไปฟังเดี๋ยวคนนี้ก็ไปฟังเราไม่ใช่เห็บบวชมาเพื่อฟังร้องราทาเพลงเรามาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อศึกษา เพื่อหาทางพ้นทุกข์ถ้าอยากจะฟังเขานู่นออกไปเป็นครว่าต์จะมาฟังทำไมเป็นครวาตเขาให้ฟังอยู่แล้วแต่ตัวเองไม่สามารถที่จะอยู่ตารงทรงศาสนาได้กับนู่นออกไปแต่นี่เรามาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์เราเบื่อและโลกนะฟังไปได้ไดอะไรมันมีเพื่อเพลินทำให้จิตใจกระเพื่อมเสียเปล่าประโยชน์เท่านั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นเราจึงเข้ามาศึกษา เขามาจู่ภาคปฏิบัติมาบวชเป็นพระในเมื่อบวชเป็นพระแล้วเราจะไปเยื่อใหญ่มีความเยื่อใยอะไรทางโลกเนี่ยเราก็ต้องตัดมันทิ้งสิเพราะเราพิจารณาดูแล้วมันได้อะไรอ่เป็นอย่างนั้นมันได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหันเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติหาทางพ้นทุก์ยึดอะไรกรรมาฐานอะไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอน ใ้ตังอกตังใจนะนี่ที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นนี่แหละผมไม่ได้มุ่งหวังไปทางอื่นไม่ได้มุ่งหวังว่าทางโลกมันจะเป็นสวรรค์วิมานทางโลกก็คือทางโลกนะถ้าเพ้อเผลอมันจะจะไปทางต่าตกนรกเอเวจีไปเรื่อยทางโลกถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันถ้าเรารู้เท่ารู้ทันก็นั่นนะอ่ะเออหันหลังกลับเข้าสู่ธรรมะในภาครักษากายวาจาใจของตนเอง จะทายังไงจึงจะพ้นจากทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานโดยเร็วนะตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำท่านสอนเอาไว้แล้วให้ปฏิบัติตามตามนั้นละเ่ะอย่างที่ฟังเทศของท่านหนังสือของท่านก็มีแต่ผมทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่อยากจะให้ศึกษาทางอ่านพระไตรปิฎกจบเป็นเล่มๆถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องศึกษา ออมีเวลาว่างช่วงไหนก็ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระวินัยของพระต้องศึกษาเอาไว้เพราะต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้รู้ว่าวินยัยพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเป็นอย่างไรแต่ถึงยังไงก็ส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะให้ศึกษาเพียงยีป็นต์การศึกษาแต่จะให้ภาวนาเนะ่ยแปซเพราะเรามาภาวนาเรามาศึกษาเรื่องปฏิบัติแต่ถึงยังไงเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วนะ ใจของเราเป็นหลักแล้วใจของเราพ้นทุกแล้วอะไรมันก็รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดนั่นแหละหเรื่องสินก็เดีเรื่องการถูกต้องความเป็นธรรมอะไรมันอยู่ในใจทั้งหมดมองดูจุดเดียวทนะั้งรู้ทั้งหมดอันไหควรไม่ควรอย่างไรเพราะมันรวมมาอยู่ที่นั่นหมดแล้วสินและวินยัยก่อนที่มันจะผิดสินก่อนนั้นะมันคิดไปในทางที่ไม่ดีซะก่อนมันจะค่อยทำถ้าว่าเรารู้ใจของเราแล้วอันนั้นไม่ควรคิดนะ พอไม่ควรคิดเท่านั้นแหละจะไปทาได้ยังไงจะไปพูดได้ยังไงขนาดคิดก็ยังไม่ควรจะคิดอันไหนควรคิดอั น, นไหนเป็นธรรมเป็นวินยัยใจรู้ได้ศึกษาแล้วอันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นวินยัยควรจะคิดควรจะศึกษาในเมื่อเราคิดดีแล้วการกระทำออกไปมันก็ดีการพูดออกไปมันก็ดีเพราะอะเพราะใจของเราเป็นวินยัยเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วนี่แหละ สรุปแล้วก็คือทํำวินัยมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่นี่ในเมื่อเราศึกษาให้รู้จักต้นต่อดีแล้วขอให้หมู่พกเพื่อนนะทุกองต้องอกตั้งใจผมก็เป็นห่วงหมู่พกเพื่อนอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่การงานแต่องค์ที่ทํางานหรือ อ, ออ้ช่วยชวยกันทําไปอแต่องค์ที่ไม่ทําก็ให้ต้องคกตั้งใจภาวนาไปให้ทํางานเรื่อมกัน องที่ไม่ได้ทางานกอาปัดกวาดเพื่อกันแต่ถนนหนทางนะ่ะอย่าให้มันลกลงลังเกินไปนะถ้าลกลงลางใจของเราลกลงลังไปด้วยผมไปที่ไหนผมก็ดูถนนหนทางมันกุฏิไขอยู่แถวนี่วะไปทางหลังวัดก่อนนะถนน้ายนะั่นลูกสือว่าลกนะมันเป็นสายของใครสายตึกท่านเกียรหรือเปล่าทำไมมันไม่ปัดไปกวาดไม่มีเวลาขนาดนั้นเหรอ ยัง ม, มีเวลาทําอย่างอื่นทำไมมีเวลาปัดกวาดทําไมไม่มีเวลาถนนเพียงคืบเดียวจากนั้นมานะทําไมไม่ดูต้องช่วยกันดูนะเรื่องถนนนะปัดกวาดง่ายถึงขนาดนะั้นยังขี้เกียจอีกต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านจะอะไรเป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นภาคปฏิบัติสําหรับตัวเองต่อไปภายภาคหน้าต้องดูนะอย่างใครอยู่ที่ไหนเดินมาที่ไหนต้องปัดกวาดต้องทําความสะอาด หลับหูหลับตาเดินไปอย่างนั้นมันได้เหรอกลางคืนกวาดคือเป็นไรไปไม่มีใครอยู่แถบนั้นเว้นเสียจะมีหมูพกเพื่อนอยู่แถวนั้นจะไปกวาดลบควนคนอื่นเขาแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นก็รู้อยู่แล้วใครอยู่แถวนี้ปล่อยปะ ล, ละเลยไม่ได้นะกิ จ, จวัตรข้อวัดนะถนนโหนทางทําความสะอาดให้สหลายยิ่งขี้เกียจทามันสะอาดจะเลิกขี้เกียจปัดกวาดมันดูไม่จืดเหมือนกันนะ การพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันเรื่องปัดกวาดเนี่ยผมไม่ได้มองข้ามนะจากนั้นกลับมาสาหลงศาลา ห, งลงห้องน้ําก็ช่วยๆกันพระเวียสาลาเนะี่ยสาคัญพระเวียสาลานต้องดูต้องรอบขอบถ้าใครไม่ทําทําตัวเองทําถ้าไม่มีใครทําต้องบอกบอกที่เป็นหัวหน้าที่เหนือกว่านี่ที่กูบาที่มีอายุพัรษามากกว่าเออไม่มีใครทําความสะอาดนะท่านอาจารยนะ์กูบาร บอกหมูด้วยนะเป็นใครหน้าที่ของใครช่วยกันดูแลมันจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่ไปจะให้องค์ใดองค์หนึ่งรับผิดชอบหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะวัดทั้งวัดอยู่ก็อยู่ด้วยกันฉันด้วยกันมีอะไรเวลาจะรับผิดชอบหน้าที่การงานให้องค์ใดองค์หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบไม่ได้ไม่ถูกถ้าคิดกันยังไม่ถูกอย่แงจะไปทำยิ่งไม่ถูก ถ้าไปพูดอีกยังไม่ถูกฮะแต่คิดก็ยังไม่ถูกเนี่แหละหลักพระธรรมวินัยไม่ได้อยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ใจอย่างที่ว่าแนละ้อต้องช่วยกันหน้าที่อะไรวัดนี่มันไม่ใช่วัดของปุณณพลเม่ใช่วัดของผมนะพวกท่านทั้งหลายนะพวกเรามาอยู่ด้วยกันคือวัดของทุกองค์เวลามีอะไรเกิดขึ้นฮนะ เ, นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามพวกท่านไม่ต้องวิตกกงังวล กรบอกที่เป็นหัวหน้าที่มีอายุพรรษาเมื่อได้ยินว่าองค์ไหนไม่สบายต้องบอกต่อกันขึ้นมาหาผมจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปทําอะไรแหมให้บอกแต่ตุปัจัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดผมเก็บมาไว้เป็นส่วนกลางเพื่อหมู่เพื่อคณะนะไม่ใช่เพื่อผมนะถ้ามีความจําเป็นมาก็ใช้แต่ถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่ให้หมู่ใช้อิรุ่ฉวยแฉแต่ว่าขาดหรืออะไรผมต้องดู แต่พวกท่านทั้งหลายใช้อจุ่ยแชร์เกินไปไม่รู้จักประมาณเกินไปผมก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเดี๋ยวพวกท่านทั้งหลายเสียพระไปอีกเหมือนกันใช้แบบลืมตัวอะไรทิ้งเกลื่อนไปหมดไม่รู้จักราคาแพงไม่แพงอีกต่างหากอันนี้ราคาขนาดไหนราคาอย่างไรไม่รู้เพราะไม่เคยซื้อมามีแต่คนมาถวายมีอะไรก็บอกเขาเขาเอามาให้ด้วยศรัทธาเอามาแล้วก็ทิ้งเกลื่อนไปอีกดูดูแล้วมันน่าคิดนะ สรุปแล้วคือพระไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพในจิตใจพระไม่รู้จักพระไม่ทันโลกแต่พอออกจากวัดผมไปถึง น, นู่นนะจ๊ะอยากได้นู่นอยากได้นี่มาขอจากวัดเราไปอีกออตัวเองเห็นสมัยอยู่ตะกรันตะเก่าอยู่แบบลืมตัวแบบไม่คิดไม่อ่าน อ, อ, อันไหนเป็นอันไหนไม่รู้แต่ไปถึงนอกแล้จึงรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่แหละ อันนี้แสดงว่าเข้ามาอยู่กับเราไม่ได้เพื่อการศึกษาถ้าการศึกษาเราจะต้องเรียนรู้เก็บมัทธยบอันไหนเก็บหอมรอมลิปเพื่อใครเพื่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อผมนะเพื่อพระพุทธศาสนาใช้ในพระพุทธศาสนาฉันในพระพุทธศาสนาเรื่องเวลาเก็บใข่ได้ป่วยก็เหมือนกันพวกท่านไม่ต้องพิจตกกังบุ เลือกใครเป็นอะไรจะไปโรงพยาบาลยังไงกับปรึกษากันนักมาบอกผมผมเป็นด่านสุดท้ายถ้าพวกท่านปรึกษาฮารือกันแล้วเป็นยังไงเหมาะสมยังไงไม่เหมาะสมอย่างไรจะถูกปัจจัยของผมนะผมไม่ได้เพื่อผมเพื่อมู่เพื่อเพื่อนมีความจำเป็นมากน้อยนี่เมื่อไม่นานมาได้ผมกัตกลงให้เขาไปสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ ที่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นสองล้านแดผมอัตมัติออกไปแล้วนี่แหละถ้าไม่ใช่เงินวัดจะเงินอะไรก็เงินมันเกิดมาในวัดมันเป็นไปได้เพราะนั้นจะไปหาขี้ตนีทีเหนี่ยวกับหมูกับเพื่อนได้อย่างไรหมูเพื่อนมีความจําเป็นก็ไม่ว่ากันพอให้มีเหตุผลอันนั้นเขามีเหตุผลเข้ามานั่นคืสมควรจะให้เขาในเมื่อเราพออยู่ได้แล้วก็ควรจะสงเคราะห์เขา สงเคราะห์ชุมชนเพราะจะตุปัจจัยก็ได้มาจากพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมเราจะมาเก็บไว้จนให้เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะฉนั้นก็เอาแบ่งปันไปเมื่อวานวันก่อนคนระับก็ให้เขาไปสองล้านแปดแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกเขาก็มาขออีกโรงพยาบาลศูนย์อุดรเครื่องผ่าตัดตับอันนั้นเครื่องนะั้นล้านห้าแต่เขาก็บอกเขามีเงินอยู่ประมาณห้าแสน เราเออเอาหนึ่งล้านเราจะหาให้เราจะหาช่วยนะแต่นอกจากนั้นอีกตึกหนีไฟที่จอดรถโรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยเขามีเงินอยู่เจ็ดสิบ้าล้า น, นแต่เราจะต้องใช้อีกเซ็นสัญญาเจ็ดสิบแปดล้า น, นแล้วก็ชั้นบันไดอีกรวมแล้วประมาณหกล้านเนีน่ยอันนี้ผมก็เป็นประธานในการกอร่อสร้างนั่นอีก ถ้าไม่มีอะไรกันนั่นแหละหาศรัทธา ญ, ญาติโยมทามันเหลือกับใจของวัดพร้อมที่จะเอาเข้าไปใส่อีกเหมือนกันมันมีเท่าไหร่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนี่แหละอันนี้ก็พวกหมูพวกเพื่อนไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องเวลาเจ็บไข้ได้ป่ยวยเราจะรักษายัางไงหายยังไงโรคภัยไข้เจ็บยังไงสงเคราะห์ข้างนอกเรายังสงเคราะห์ได้ทําไมเราจะสงเคราะห์พระเนนของเราที่อยู่ในวัดถ้ามีความจําเป็นจริง ทำไมเราจะสงเคราะห์ให้ได้แต่พวกท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงอีกเหมือนกันที่หลวงพ่อรับภาระข้างนอกได้หลวลงพ่อจะเอาทํำยังไเงเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเนงินบริสุทธิ์ปั จ, จัยบริสุทธิ์ก็แล้วกันผมไม่เคยที่จะทําอะไรให้มัวหมองในหลักพระธรรมวินยัยสรุปแล้วก็คือให้รู้จักเก็บมีคนถวายมารู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันฉเฉลี่ยออกไปจ ะ, ฉะเฉลี่ยยังไงมันจะเป็นธรรมเป็นวินยัยนี่แหละ อันนี้ก็คือจุดนี้พราะนั้นพวกท่านทั้งหลายผมเคยพูดกับโยมที่เกี่ยวข้องโยมวัดที่เกี่ยวข้องพวกโยมไม่ต้องห่วงนะที่หลวงพ่อรับภาระอะไรออกไปถ้าว่าหลวงพ่อรับสุมสี่ซุมห้าทำแบบมั่วไปหมดแล้วก็ทำให้พวกสู่เจ้าเดือดร้อนหลวงพ่อจะเป็นอาจารย์ของพวกเจ้าได้อย่างไรจะเป็นที่ยอมรับหรือจะเป็นอาจารย์ของพวกท่านได้อย่างไรถ้าเราไม่คิดซะก่อนยังค่อยรับ เราว่าเราคิดดีเราจึงรับออกไปไม่เดือดร้อนเราจึงได้รับทุกอย่างเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะไม่ต้องคิดนะพระอญาติโยมน้ำผู้พวกเพื่อนหลวงพ่อทุกคนทุกวง น, นะไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนนะอพอหลวงพ่อคิดดีแล้วยังค่อยรับแต่หลวงพ่อจะพูดยังไงเป็นเรื่องของหลวงพ่อที่จะพูดกับผู้คนโน้มน้าวให้ผู้คนทั้งหลายเข้ามา ร่วมกันเพราะทําไปแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อโรงพยาบาลของหลวงพ่อได้ยังไงมันเป็นของทุกคนใครเจ็บใครได้ปว่วยก็ต้องไปผ่าตัดอนเมื่อผ่าตัดนั้นจะเป็นของหลวงพ่อได้ยังไงเป็นของทุกคนเมื่อเป็นของทุกคนหลวงพ่อก็ต้องบอกช่วยกันเนอะโรงพยาบาลเนอะห้องผ่าตัดเนอะเครื่องมือผ่าตัดเนอะตึกนี้ไฟนะตึกที่จอดรถ น, นะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกันนะ ไปเห็นหลวงพ่อแบบคนเดียวไม่ไหวนะหลวงพ่อก็นักเหมือนกันนะฮะอันนี้คือหน้าที่จะต้องพูดบอกกล่าวเอาความจริงมาพูดกันถ้าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลเนี่ยต้องฟังฟังแล้วก็ต้องช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้เขาคงจะไม่เดือดร้อนผู้ที่เขาช่วยมาถ้าเขาเดือดร้อนเขาช่วยมากอันนั้นก็จะว่าอย่างไงเนี่ยจัดว่าเป็นประเภทโงอออทอทอ่อีกเหมือนกันทําอะไรทําไม่คิดไม่อ่านอีกเหมือนกัน เพราะท่านสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่กับผมเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านต้องคิดถ้าไม่มีอย่าทำํำสรุปแล้วเราให้รู้จักกําพืชของตนเองเราเป็นใครจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เจ้าเห็นช่างขี่ก็ขี่ตามช่างไปเรื่อยคนอื่นเรือดร้อนไม่ได้นะอย่าไปทําอย่างนั้น ทำด้วยความประมัดระวังศรัท ธ, ธานะมันหมดได้ถ้าเขาหมดศรัท ธ, ธาแล้วมันหมดตายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพูดต้องพูดทําความเข้าใจกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องที่มาใกล้เรานะทําความเข้าใจกับเขาแต่ว่าตามให้จริงเราก็พูดตามความเป็นจริ ง, งเขาจะมีศรัท ธ, ธากระตุดแท้แต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่หวังกันอันนี้ก็คือการบริหารจัดการในการเป็นอยู่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการเป็นอยู่ถ้าจะถึงข่าวตายมาันต้องอยู่ที่ไหนก็ตายด้วยกันทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนจะไม่ตายอยู่กลนในโรงพยาบาลก็ยังตายเป็นแพทย์เป็นหมอนรักษาสุขภาพดียิ่งกว่าอะไรแต่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บตายมามากกว่ามากเกือบทั้งหมดเกิดมาต่อไหลตายเท่านั้นเราทําไมจะไม่ตายอย่างนั้นละ่ะนี่แหละมาภาวนากมาดูความตายของตนเองนั่นแหะ มาศึกษาเรื่องการตายของเราเราจะตายแบบไหนเราจะตายแบบผู้มีสติมีปัญญาตายแบบที่เราเป็นพระหรหันต์แล้วตายเราจะไม่ตายแบบพุทุชนเต็มไปด้วยกิเลส ต, ตายเราจะตายแบบเป็นผู้มีศักด์ศรีตายเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีกิเลสในใจแล้วตายเราจะเป็นอย่างนั้นในใจของเราต้องคิดไว้ให้สูงอย่างนั้นอย่าไปคิดท้อแท้อ่อนแอ ถ้าคิดท้อแท้อันนี้มันไปที่ไหนไม่รอดน่กิเลสเหยียบพออยู่ตลอดไม่ได้นะต้องเข้มแข็งนะเราเป็นนักพจนักบวดนะอต้องสู้นะเราหวังอะไรเกิดมาในโลกนี้เราได้อะไรเราหวังอะไรอยากจะเป็นคนมั่งคนมีสีสุขอย่างนั้นเหรออยาก ม, มีครอบมีกลัวเหมือนกับฆราวาสเขาอย่างนั้นเหรอมันได้ไปแล้วมันได้อะไร มันมีอะไรมันดีขึ้นไหมที่เขาเป็นมาแล้วเขาล้มหายตายจากไยมีแต้งองหม่มร้องไห้หาการอีกต่างหากมันได้อะไรเราอยู่อย่างนี้มันเสียอะไรเราหวังอะไรในขณะที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เราหวังอะไรถ้าเราหวังทางพ้นทุกหวังเพื่อจะชำระใจของตนเองแล้วมันเรื่องมันนิดหน่อยเองมันไม่มากมีแต่ความมุ่งมั่นไปทางเดียว แต่ถ้าหวังทั้งอื่นนะั่นนะเรื่องมันเยอะแยะนะตามมาจะแก้ไม่หวัดไม่ไหวแล้นะไม่รู้เรื่องอะไรตัวมิอะไรมาลุงมาตุ้มมาลุงมาตุ้มอยากได้เขามียศก็อยากได้ยศ ก, ก, กับเขาเขามีลาบก็อยากได้ลาบกับเขาเขาได้อะไรก็อยากจะได้กับเขาทั้งหมดดัานนั้นแหละมันจะทุกข์ใจตัวเองถ้าว่าเราดูรู้จักความเพียงพอเราไปเอาไปเพื่ออะไรอีกสักวันหนึ่งเราจะ ททั้งหมดถ้าได้มาโดยเป็นธรรมก็ไม่หวากันถ้ามาโดยเป็นธรรมเอามามาโดยเป็นธรรมทาไม่ผิดธรรมวินัยแล้วเอาใช้ใช้ได้แต่ถ้ามันดูๆแล้วมันไปทำให้คนอื่นตดือดร้อนเราจะเอามาทำไมต้องการอะไรไม่เห็นจะจําเป็นนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปส่งเสริม อ, อย่าไปเวอร์กับโลกวัตะสงสาร ให้มองตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษตามมีตามเกิดและก็มุ่งมั่นในธรรมให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวเรื่องวัตถุภายนอกในวัดของเราไม่ต้องห่วงอาหารมีการมีอยู่มีฉันน้ำปนุ๊ก ป, ปะนะไม่ต้องห่วงเป็นมาอย่างที่พวกเราททั้งหลายเห็นแต่พวกท่านทั้งหลายให้มองตัวเองว่าข้าพเจ้าจะภาวนาอย่างไร ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างไรข้าพเจ้าจะพิจารณาอย่างไรข้าพเจ้าจะยึดกรรมฐานอะไรเป็นหลักข้าพเจ้าจะนั่งภาวนา น, านสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะอดอาหารอย่างไรข้าพเจ้าจะอดนอนอย่างไรข้าพเจ้าจะทําความภาคเพียรบําเพ uta, เ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อพุทธเจ้าตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราจะเอาเด็ดเดี่ยวมากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องทบทวนอยู่ตลอดถ้าพวกเราทบทวนอยู่อย่างนี้ผมว่าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายอีกสักวันหนึ่งจะมีหนทางมีช่องทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้แต่พวกท่านไม่ได้คิดได้อ่านอะไรในแต่ละวีแ ต, ะวแต่ละวันมีแต่เห็นพูดมีแต่เห็นคุยเห็นแก่พูดเห็นเกล่คุยเห็นแต่คบค้าสมาคมเห็นแต่สิ่งภายนอกประจเจริญรุ่งเรือง นั่นน่ะอีกสักวันหนึ่งพวกท่านจะแบมือทั้งหมดเออที่ว่าได้อะไรถามดูได้อะไรคิดดูจะว่าได้อะไ ร, ดดไะไรนัน่นแหละมันไม่ได้อะไรทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นเป็นแนวทางให้เราท่านทหลายเป็นแนวทางในการคิด อ, อของพระของสมณะของนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ต่อไปภายภาคหน้าอายุพรรษาขึ้นใเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยต่อไปมันก็จะต้องเป็นผู้ใหญ่จะต้องมีการอบรมแนะนําสัง่งสอนลูกน้องผมเองผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมาเป็นหัวหน้าหมู่พวกเพื่อนอยู่อย่างนี้ไม่เคยคิดขี้อายยิ่งกว่าอะไรปวดจะเป็นสมณะน์แต่มันถึงข่าวจําเป็นแล้วมันต้องได้ออกเพราะออกมาแล้วเนี่ยเฮ้พร้อมที่จะพูดไม่ยุ่ว่าระดับไหน แสดงความคิดเห็นได้ทั้งนักเพราะเราคิดว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกับเราไม่มีมนทินสินของเราไม่มีอะไรที่จะด่าพร้อยเราคงเชื่อมั่นในสินของเราเพราะนั้นเราจึงพูดให้แก่พวกใครๆต่อใครฟังได้เราพูดเท่าที่เรารู้ถ้าเกินที่เรารู้เราไม่รู้เราจะไปพูดทำใหม่ อย่างที่ผมพูดเมื่อเช้านี่เหมือนกันไอ้คนที่มาทักท้วงว่าหลวงพ่อพูดไม่จุใจพูดไม่ถึงมรรคถึงผลเอา้าแต่ตัวเองรู้วดไปศึกษาที่องคไหนที่พูดถึงมรรคถึงผลที่สำหรับเราเราสอนให้กอไก่ขอไข่พอ้อกวดถึงหอนกคูกด้วยเอบีซดีเลขหนึ่งสองสามสี่ไม่มีประโยชน์บ้างเหรอ ถ้าไม่มีประโยชน์เชเลยเกิดจะมาพูดทําไมหวังอะไรกับเราเอีกเราก็ไม่ได้หวังอะไรกับเขาคนนั้นอีก mm. เอเขาว่าเขาเลือกอาจารย์ผิดถ้าเป็นลักษณะนั้นเราก็อถ้ามาเป็นลูกศิษย์ของเราเราก็เลือกลูกศิษย์ผิดอีกเหมือนกันอไม่ใช่แต่เขาเลือกผิดนะอาจารย์อาจารย์เขาเลือกลูกศิษย์ผิดเหมือนกันเราทําไมได้ลูกศิษย์งงๆอย่างนี้ลูกศิษย์ไม่คิดไม่อ่านอย่างนี้ลูกศรริษย์ไปรอบคอบอย่างนี้ โอ้โหตายเราแนะนําสั่งสอนซีดของเราเท่าไรเราเท่าไหร่มากมายมหาศาลลงทุนเท่าไหร่เพื่อแนะนําบอกกล่าวให้ลูกศิษย์เฉลียวฉลาดทําไมเราจึงได้ลูกศิษย์โง่ถึงขนาดเนี่เราเลือกผิดะแล้ว เ, เขาแสดงมาเป็นลูกศิษย์ของเราเราไม่น่าจะให้เป็นลูกศิษย์เราเลยเนี่ยไม่ใช่แต่เขาเลือกอาจารย์ผิ ด, ดเราก็เลือกลูกศิษย์ผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะ เราจะไปตำหนิคนอื่นจะไปมองคนอื่นให้มองตนเองเออทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านไม่ให้มองคนอื่นผมไม่เคยมองคนอื่นฟังดูสิในเอ็มพสาของผมผมดูถูกเกียดติยำใครบ้างมีจะพูดเป็นกลางกลางกลางกลางทั้งหมดถ้าคนไหนที่มันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องก็พยายามเออไม่ให้มันมีปัญหาให้เป็นสิตเป็นธรรมฟังได้ทุกคนเป็นกลาง ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสวาขาตธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วเราจะไปเอาธรรมะไปวัดไปเวียงไปกันไปแกล้งใครมันไม่ถูกทางนั้นแหละมีแต่พูดตามความเป็นจริงถ้าม่เป็นจริงนะอย่าทํำนะเปี่ยวห้ามกันแหละมีไหมในหลับพระธรรมวินัยทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมีนิไครหะปักไครหะนิไครหะคือขม่ม ปักให้หาแปลว่ายกย่องก็มีอยู่ในหลักธรรมวินยัยอันนี้การพูดเหมือนกันถ้าไม่มีขม่มไม่มียกย่องไม่มีแนวชี้แนวทางให้เดินแล้วจะสอนอย่างไรสอนขดจะมีแต่แนะแนวทางอย่างเดียวไม่ทางบอกว่า น, นั้นคือทางหายนะนะทางผิดนะอันนี้อันนี้ทางถูกนะแล้วจะไม่แนะได้อย่างไรทางผิดแล้วก็ขม่มทางถูกแล้วก็ยกย่องแล้วให้เดินตามสายไหน วิธีเดินเดินอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักพระธรรมพิานายจึงจะถูกต้องตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะถึงมักถึงผลได้ต้องเดินอย่างนี้เดินทางนี้อันนี้มันก็ต้องมีทุกระดับชั้นไม่ใช่ว่าปรปับึ้นมากับพูดแต่เรื่องนิพพานอย่างเดียวเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องทานศีลภาวนาเรื่องการเป็นอยู่ไม่พูดเลยจะได้เหรอมันก็ต้องเกี่ยวเรื่องการทั้งหมด ปลุรับมาพูดแต่เรื่องแก่นอย่างเดียวแล้วก่อนที่มันจะเป็นแก่นได้ก็ต้องปลูกมเมล็ดก่อนเมื่อเป็นมเมล็ดจะเกิดงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นเล็กเอาไปกล้าที่ไหนไปปลูกที่ไหนพอปลูกจะเริ่มต้องรักษาพอรักษาก็เป็นต้นเป็นลำต้องรักษาเปลือกกับพี่ต้นใหญ่ขึ้นมาจึงค่อยมีแก่นหลังจากนั้นก็มีแก่นต้นไม้มัต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะ เราจะไปพูดตะแกนอย่างเดียวได้อย่างไรมันก็ต้องพูดเรื่องการเป็นอยู่อ อ, อนุสาสตร์แปดอย่างนิสัยสีอัจฉริยกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเยเรียกนิสัยมีสี่แล้วอัรฉริยะกิจคืออะไรอันนั้นคือห้ามใช่ไหมห้ามมาให้ทําใช่ไหมอัจฉริยะกิจ ก, กัจฉริยะกิจเนี่ยกิจที่ควรทํามีอยู่สี่อันนี้ส่งเสริมให้ทําใช่ไหมเนี่ยมันก็มีเป็นคู่กันมาอยู่ตลอด ไม่ใช่ว่าจะพูดพระพุทธเจ้าไปเข้าสารสมาบัติแล้วเข้าสู่นิพพานจะตั้จรู้เป็นอนุ ترا สัมมาสัมโพธิญาณท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นทีเดียวท่านก็พูดมีลากหลายมีหลายแนวทางก่อนที่ถึงมัตถึงผลได้เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปมัตสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจากัมมันตัวอจิโววายโมจติสา ม, มาธิมัตแปะผลทางที่จะไปสู่มัตผลนิพพาน เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้พวกเราได้ศึกษาถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราได้ฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์หรือศึกษาในลักพระธรรมวินัยแล้วมันมีเยอะแยะไปที่พวกเราจะเดินตามนะอย่างพระในครั้งพุทธการอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าภาษารลบุตรท่านอบรมลูกศิษย์ของท่านอย่างไงก็มันยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระรอรหันต์ ภาษาเลบุตรคืหมดปัญญาที่จะสอนจิ์ก็ได้นำลูกศิษย์ตัวเองไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าเออจารยบุตรพระองค์นี้นะไม่ใช่วิสัยของสาวกที่จะสอนเป็นวิสัยของพุทธเราจะสอนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะสอนพระองค์นี้แต่เย็นนี้แหละเขาจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันท่านท้าทายอีกต่างหากพระพุทธเจ้าพอตกตอนเย็นพระองค์นั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระาราหันจริง ทั้งที่ภาษาริบุตรเป็นพระรหันต์แต่ท่านก็สอนอแต่องค์นั้นท่านก็ศึกษาเรียนศึกษาแต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้เพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้มันไม่ได้ที่ตรงไหนที่ทตรงนั้นในหลักพระไตรปิฎกของภาษาริบุตรท่านสอนว่าให้ดูเกสาโลมานขาทันตาตะโจ แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นอสุภะปฏิโกลให้เห็นเป็นของไม่สวยงามร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอันนี้จังนะของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนของเราน ะ, ะไปยึดมั่นถือมั่นนะร่างกายอันนี้นะอีสักวันทิ้งแน่ๆ น, นะอันนี้คือทรรำคาสอนของพระอ克拉สาวกสารีบุตรท่านสอนใครต่อใครท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมากต่อมากแต่มาสอนพระองค์นี้สอนเท่าไหร่ ไปนั่งภาวนาก็ซื่อบื้อสื่อบืออบ้อมันไม่เข้าอทํำไมห่หมดปัญญาสอนถึงละเอียดหลายครั้งจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอือสารีบุตรพระองค์นี้ไม่ใช่วิสัยของท่านวิสัยของเราแต่ที้พระองค์ก็เอ้าปอยพระสารีบุตรไปไปกลับไปก่อนนะสารีบุตรเดี๋ยวเราจะสอนเอง พอพระสายีบุตรกลับให้หลังไปพระพุโรหก็เอาเอาดอกบัวนะไปพิจารณานะพอพระเห็นดอกบัวนะนะั้นคือเขาเป็นช่างทองมาก่อนช่างเห็นดอกบัวความสวยงามของดอกบัวนะนะั้นน่ะโอ้โหสรุปแล้วก็คือเอาเกลือจิ้มเกลืออย่างที่เขาว่านนะใครๆ เ, เอาความงามจิ้มความงามแต่นี้พอได้ความงามไปนะโอ้โหไปมองความงามเลยสอนให้เป็นอสุภะปฏิกรูนะไม่เอามันไม่สูดไม่ชอบ จิตใจไม่ชอบของไม่สวยงามเอ่อพอจิตใจองค์นี้พระองค์นี้เป็นช่างทองมาติดพบติดชาติมาถึงห้าร้อยชาติเป็นช่างทองพอตีกีบทองอันไหนทำสร้อยแหวนอะไรก็ตามเพ่งมองแต่ความงามอยู่อย่างเดียวไอ้ความที่ไม่งามน่ยไม่เคยคิดมีแต่พยายามเพ่งความงามเพราะมันติดอุปนิสัยติดจิตติดใจไอ้ความงามจุดนี้เนี่ยจากนั้นก็ไปเห็นดอกบัวงามท่านนะโอ้โซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจ พระองค์ให้เอาไปไปกวัดกองทรายไปอยู่หลังวัดนะและ้วเอาดอกบัวนี่เสียบลงกองทรายจากนั้นก็ให้นั่งดูนะเนี่ยพระองค์นั่งก็เป็นนั่งเพ่งอยู่กองทรายเพ่งอยู่ดอกบวัวดอกบัวนี่เป็นดอกบวัวเนลามิตรนี่ยต่อมาไม่นานดอกบัวก็เศร้าหมองเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าหมองลงไปตีแรกก็โอ้โหเหมือนกับน้ําจะหยดจะย้อยเน่ยมันสวยงามมากเพราะทองคํา พอต่อมาก็เศร้าหมองเป็นทองเหลืองต่อมาก็เป็นทองยางปรีเข้ามาแล้วแต่มันดำปีเข้าไปท่านก็เห็นอันนี้จังเหตุของไม่เที่ยงในเมื่อไม่เห็นไม่เที่ยงทุกสิ่งทุอย่างไม่เที่ยงร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงขนาดทองสวย <graduate S 2> ๆเ <g softly> งาๆแล้วยังไม่เที่ยงสิ่งอื่นจะไปเที่ยงได้อย่างไรสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราสลัดใจออกจากการเห็นของไม่เที่ยงได้ ท่านก็เดบลงไปเลยเนี่ยเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในขณะนั้นเนะี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านสอนท่านก็ยังมีกลละเพ็ดเรียกว่ามีการไปคนละทางกันเหมือนกันแต่ทั้งที่บอกเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่จะสอนคนให้สําเร็จทุกคนไม่ใช่นะแล้วก็พร้อมกันกับบา ร, รมีขององค์นั้นอีกต่างหาก Uh, มันหลายๆนาแนวทางอีกเหมือนกันจะสอนอยังไงมันก็ไม่ฟังสอนอยังไงก็ไม่เชื่อสรุปแล้วก็คือครูใครอาจารย์เราสรุปแล้วครูใครอาจารย์เราถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดเออน่าเชื่อถือน่านับถือใช่ที่ท่านพูดจะไา่นถูกต้องก็ฟัง <Watson. S 1> ไปเรื่อยื่อยศึกษาไปเรื่อยอันนี้คือเป็นที่ยอมรับไปตลอดอันนี้คือครูบาอาจารย์ของเรา แต่ถ้าบางคนพูดถูกขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจเพราะไม่อยากจะเข้าใจเพราะมันขวางอย่างทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมานะคือความแข็งกระด้างอยู่ในใจมันขวางอยู่อย่างนั้นเออเพราะมันขวางนี่จะทำยังไงได้เออพอพูดอะไรออกไปไมิถกมัดก้มวยออคำนั้นก็ไม่ถูกคำนี้นก็ไม่ถูกไม่น่าจะพูดอย่างนั้นไม่น่าจะพูดอย่างนี้น อ, อ, ออกไปมันมีตมัดตะมวยออกมาแลวจะ ถึงจิตถึงใจจะถึงทําได้อย่างไรประเภทอย่างนั้นที่เป็นอาจารย์ก็เปล่าประโยชน์สอนคนประเภทอางนั้นที่เป็นลูกจิตจะอยู่ขืนฝืนอยู่ไปเปล่าประโยชน์อีกมันเปล่าประโยชน์ทั้งสองข้างอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปทำใหม่นี่แหละสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราได้ฟังหรือว่าผมพูดให้พวกท่านฟังเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ถ้าว่าใครมาพูดต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านจะได้พูดให้เขาฟังได้นี่ลักษณะเ ป, เป็นอย่างนี้นะถ้าเขาเป็นนักเหตุผลเขาก็ต้องยอมรับว่าการที่เราฟังเราพูดอย่างนี้มันมาในพระไตรปิฎกเราอ้างเหตุอ้างผลมาพูดเราไม่ใช่ว่าเอาคำพูดแบบลอยๆจับที่ไหนมาใส่ที่ไหนไม่ใช่ไปค้นคว้าศึกษาดูสิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นี่แหละจปแล้วก็คือครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ปักใจว่าอหอหลวงพ่อเนี่ยทิ่แนะนําสั่งสอนเนี่ยดีที่สุดแล้วหลวงพ่อไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ที่ออยังไงให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาเอแต่ที่ยังให้ดูตัวเองอย่าไปเชื่อแต่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็ไม่ได้ตัวเองไม่ทําแล้วจะไปตําหนิแต่ครูบาอาจารย์ได้ยังไง ครูบาอาจารย์ไมิจะแนะนําสั่งสอนกินอย่างนี้นะทานอย่างนี้นะอาหารประเภทอย่างนี้อย่างนี้นะเอาเตรียมพร้อมออากินได้จัดมาให้แล้วตัวเองไม่ทานนะตัวเองไม่กินนะแล้วจะไปตำหนิใครอ่ะจะไปตำหนิครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้แต่ตำหนิตัวเองจะไปจับน้ำไฟนะ้ำมันร้อนนะแต่จับแล้วมันไม่ได้นะยิบพายนะจะหาว่าครูบาอาจารย์เออ ชาบแช่งตัวเองได้ยังไงก็ตัวเองไปจับไฟเนี่ยถึงจะฉาบถึงไม่แช่งอยังไงมันก็ต้องร้อนอยู่แล้วนี้ก็เหมือนกันตัวเองทําความชั่วแล้วครูบาอาจารย์จะพูดแล้วไม่พูดมันก็ชั่วอยู่วันยังค่านะมันต้องตกนรกหมกไหมวันยังค่าเพราะตัวเองทําความชั่วนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้สรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วให้เชื่อกำคือผลของกรรมให้พวกเราเชื่อในการกระทําถ้าว่าพวกเรา เชื่อในการกระทำเลยจะไปมองคนอื่นมองตนเองถ้า ม, มองคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดถ้า ม, มองตนเองแลจบทุกสิ่งทุกอย่างใครจะดีถ้าใครจะชัว่วเป็นเต่องของเขาเรื่องของเรามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นอย่างคุณแม่ชีกแก้วท่านบอกว่าดีก็ดีของท่านไม่ครุ้มครองถึงเราถ้าเราไม่ทาเอง จะไปกุ้มคลองถึงเราได้ยังไงความดีของท่านก็คือความดีของท่านท่านภาวนาถ้าท่านได้มรด้ผลก็ท่านของทำทำของท่านแต่ถ้าเราไม่ได้นำทำคำสอนของท่านมาปฏิบัติตัวเองมันจะดีได้อย่างไรจะกลับเป็นฉันนรกอีกอย่างเก่านั่นแหละเพราะนั้นเมื่อท่านทำดีท่านก็แนะนำเราก็นำทำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะคลอยดีตามท่านไปด้วยเดินตามหลังท่านไป พท่านได้มักได้ผลแล้วท่านจึงมาแนะนำท่านจึงบอกกล่าวให้เราฟังให้เราศึกษาถ้าเราไม่ทำตามก็อย่างนั้นเนยจะมีประโยชน์อะไรจริงๆอดชายสบงจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ยไปที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะตายไปแล้วแต่ขณะที่อยู่ใกล้ก็ใช่เรารก็เคารพนับถือเริ่มใส่แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามใจของเราคิดไปอีกทางนึง ออกจากกอดชัยสวงจีวรพผู้เยเจ้าคิดจะฆ่าใครและฆ่าใครอีกก็ไม่รู้อการกระทำของตัวเองในขณะที่นั่นคือความเคารพนับถือเท่าไหร่ก็คื อ, ค อ, คอการกระทำเป็นบุญอยู่แล้วแต่ว่าถ้เมื่อออกไปแนละ้วออกจากที่นั่นไปนะมันคิดอีกอย่างหนึ่งมันจะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงเพราะใจตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามที่ทำคําสอนผู้เผยพเจ้าที่ท่านสอนอ ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเอาไว้พนักขอนพวกเราทุกองค์นะทุกท่านนะในการประพฤติปฏิบัติกับผมเองแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็มามากโตมากทั้งหนังสือทั้งเอ็มพีสแต่ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามตามธรรมคาสอนขององค์หลวงตาเนะนะ่ะเนี่ยย้าอีกคนหลวงตานะนะ่ะที่ท่านสอนธรรมะกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปให้เราฟัง ตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาฟังสักกันหนึ่งในแต่ละวันย่าได้ขาดสักกันให้เพื่อการศึกษาผมมั่นใจใเลยเพือนว่าพวกท่านจะรู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติวิธีเดินมัก่กศีลสมาธิปัญญาจะรู้ได้ถ้าพวกเราตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังก็อย่างว่านพวกเราก็จะหลงทางไปเรื่อยอันไหนผิดอันไหนถูกเราไม่ได้สนใจ แต่จุดนี้ที่เราฟังเนะี่ยเรามาอยู่ที่นีนะ่จะอยู่ที่อื่นบางทีอาจจะอยู่ในมุมอับก็ได้แต่อยู่ตรงนี้เลยฟังได้เลยสถานีอยู่ในวัดของเราธรรมเทศนาตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้านะเป็นเทศของหลวงตาที่ท่านอบรมพระกลางคืนถ้าไม่อบรมพระกับอบรมครว่าก็เป็นธรรมะที่ขั้นสูงนะที่ท่านอบรมอย่างธรรมะชุดเตรียมพร้อมอเนี่ยขาก็ออกมาลงเหมือนกัน่ะ ท่านอโอปรงคารวาัดแต่คารวาตัตจวนเจียนจะตายธรรมะจวนเจียนตายคือท่านเป็นมะเหลงกระดูกน่ะที่หลงตาไปโปรดที่ในครัวเป็นโยมผู้หญิงที่หลงตาไปเทศธรรมะชุดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใกล้ใกล้กัเตรียมตายแหละเตรียมตัวตายแหล ะ, ะชุดเตรียมพร้อมนี่แหละอันนี้คือเทศคารวาตแต่เป็นแค่ที่เด็ดเดียวเทศที่เป็นแนวความคิดที่ดี เขาก็นํามาลงอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะการพูดกันแนแนวก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลาพอยุติในการพูด